ก็ระดับต่อจากนี้ไปธรรมภาพทั้งสองจะได้ทาหน้าที่ในการที่จะนำเอาธรรมสารมาวิจัยวิจารร่วมกันทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการตอบแทนเป็นปฏิการคุณแก่พระจย์สมองจันทวันโอที่ท่านได้บำเพ็ญต่อหน้าที่ของท่านทั้งที่เป็นพระในพุทธศาสนา ได้เรียนปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทท่านได้เสียสละชีวิตและการงานของท่านเพื่อรุทิศ ต, ต่อการไปเผยแพร่พระาศาสนาในต่างแดนโดยเอาเรียกว่าตายในหน้าที่ก็ว่าได้นะถ้าหากวา่าไม่น่าเกลียดเอามาจะขอทงธรรมจักรมาคุมหีบได้ซ้ำไปแต่ว่าอันนี้ก็ดูว่าจะ เขาจะไม่เห็นด้วยก็เลยไ ม, ไม่ไม่กล้าทำนะความจริงแล้วเนี่ยทหารตายในหน้าที่เขายังมีธงชาติคุมหิมแต่พระเราเนี่ไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตกลับมาเป็นโรคตายนีย่ก็ถือว่าตายในหน้าที่เหมือนกันนะนั้นเองในช่วงเย็นวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาซึ่งพระอาจารย์มหาภัยขวัยลินั่งฟังธรรมก่อนได้ไหมเอาไว้ก่อนนั่งฟังธรรมสบาย ทุกคนอยา่าย้ายทุกคนเมียบไม่เดินเพ่นผ่านไปมาไปมานะเพื่อการเคารพผู้ฟังถ้าหากไม่เคารพผู้ฟังแล้วก็เป็นการรบกวนนะดังนั้นลาดับต่อที่ตอนที่นี้ไปให้แต่ละคนได้นั่งอย่างสงบเคารพในการปฏิบัติธรรมไม่รบกวนด้วยวิธีการต่างๆที่พระอาจารย์มหาภัยได้ตั้งประเด็นหน้าคิดขึ้นมาคำหนึ่งว่าคนทุกวันนี้หลงเอาวิธีกรรมเป็นคําสอน น่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากพระศาสนาจึงอยู่ได้แค่นี้เพราะเราหลวงเอาพิธีกรรมเป็นคําสอนดังนั้นในช่วงเย็น น, นี้เราจะมาสนทนากันเรื่องนี้ว่าอะไรคือพิธีกรรมอะไรคือคําสอนเพราะว่าพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาพิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นศาสนาที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างของโลกสมที่พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูและเป็นโลกวิทู ในขณะเดียวกันเราเป็นชาวพุทธแก้ปัญหาไม่ตกพาประเทศชาติเข้าสู่ชักเรือลงลึกชักสือเข้าบ้านจะจมไม่จมแหลอยู่อย่างทุกวันนี้ตอนนั้นแสดงว่าเราไม่ได้พุทธไม่ได้ใช้พุทธศาสนากันเท่าที่ควรประเทศชาติเราถึงเป็นอย่างนี้ประชาชนเราถึงเป็นอย่างนี้สถานการณ์พระาศาสนาในประเทศไทยเราถึงเป็นอย่างนี้ถามว่าไม่มีพระที่สามารถแก้ปัญหาได้ชลื้แก้ได้ แต่ว่าไม่มีหน้าที่โดยตรงเพราะพระเล่นกันเมืองไม่ได้เพราะพระไม่ใช่เป็นผู้แทนพระไม่สามารถจะเป็นรัฐมนตรีได้แต่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและชี้นำเท่านั้นถ้าหากว่าผู้นำผู้บริหารไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันดังนั้นเองพระอาจารย์ไปครับตามที่พระอาจารย์ได้เกินประเด็นขึ้นมาว่าคนพุทวันเนี่ยชาวพุทธวันหลงเอาพี่กรรมเป็นคาสอน ดังนั้นในเบิ้องต้นเนี่ยผมก็อยากจะทราบว่าคําว่าพิธีกรรมในความหมายของพระอาจารย์หมายถึงอย่างไรครับทั้งที่พระเดทธองค์ พ, พ่อท่านย้อนสอนนะ <c oughs> ย้อนสอนหมายถึงว่าย้อนอคําบทความที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้ี่มองเห็นวีดีโอแวบๆนะครับผมก็รู้สึกเสียวสหลางเหมือนกันกลัวจะได้มาขึ้นภาพโปรเจคเตอร์มื่อพระอาจารย์มาสมปอง <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า วีซ่าก็คงจะผ่านในเร็ววันนี้แล้วจะส่งไปตายที่ไหนก็ไม่รู้นะยังไงก็ไม่จำเป็นต้องทงธรรมจักรนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตายเพื่อนหน้าที่ตายเพื่อนในปรมจันทร์เนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับดีกว่าเป็นอยู่อย่างผู้ตายแล้วครับผมเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงคนไทยเราทุกวันนี้เข้าใจผิดหลงไปคิดเอาพิธีกรรมเป็นคาสอนทางศาสนา ฉะานั้นคำว่าพิธีกรรมตรงนี้เนี่ยพูดถึงพุทธศาสนาหรือว่าศาสาะนาทุกศาสนาน่มีหลักอยู่ห้าอย่างมาเขนท่นี้หนึ่งก็คือหนึ่งศาสดาสองหลักธรรมของพระศาสดาสาศาสนาวัตถุสี่ศาสนาพิธีแล้วก็หาสาวกฉะนั้นมีตัวหนึ่งคือศาสนาพิธีทีนี้พิธีกรรม บางอย่างนี่ยก็อพวกเราพูดเกิดหรือว่าพิธีกรรมหรือ ว, ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอยู่สามสี่ประการตามที่ลองนึกคิดลองดูนะครับอันที่หนึ่งพิธีกรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะความกลัวนะความกลัวอันที่สองเกิดขึ้นเพราะความทุกข์อันที่สามเกิดขึ้นเพราะความรักและที่สี่ เกิดขึ้นเพราะความกตันอยู่กับตาวิธีต่อบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าต่อพ่อต่อแม่เป็นการตอบแทนพระคุณอันนี้ผมคิดขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับฉะนั้นคนเราเนี่ยพอมีความกลัวขึ้นมานี่ยคำว่าพิธีกรรมมากับความเชื่อนะพิธีกรรมนี้เป็นผู้ที่ประกอบพิธีกรรมได้ดีสุดก็คือส่วนมากพระชศาสนาส่วนมากที่เป็นลัทธิ ลทัทธินี้ไม่ไมิค่อยมีศาสดาลทัทธิที่เป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่รู้เรื่องใดก็เอาเรื่องนั้นมาสอนแล้วก็ดูแนวทางตลาดดูแนวทางของคนผู้ที่มีความหลงเชื่อมีความโน้มเอียงไปทางใดในความหลงเชื่อนั้นก็จะพยายามสร้างพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะเห็นแนวทางของการหาไรายได้ในส่วนของ ลัทธินะคฉะนั้นพอลัทธิตัวนี้เกิดขึ้นนี่พุทธศาสนาเราก็หนึ่งในลัทธิแต่ว่าเป็นสิ่งที่เหนือลัทธิไปอี ก, กคือมีศาสตรดาและก็มีหลักธรรมที่จริงแท้แล้วก็ถ้าพูดถึงครั้งพุทธกาลนี่ไม่ค่อยเห็นพูดถึงครั้งพุทธกาลนิดนึงก็คือว่าการตายแต่ละครั้งนี่นะไม่ค่อยมีพิธีกรรมทางตามที่ ในหนังสือนะทำมาบ่ญไม่ค่อยมีพิธีกรรมในการในการจัดงานศพหรือว่ามโหสพมาฉลองความตายส่วนมากถ้าตายแล้วเนี่ยก็จะเอาไปทิ้งป่าช้าบ้างเอาไปให้สั ป, ปเหร่ผู้เฝ้าป่าช้าเผาบ้างนะถ้ามีถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินหน่อยก็เอาไปให้สั ป, ปเหร่จ้างสั ป, ปเหร่เผาให้นะเอาไปทิ้งแล้วก็หนีเลย เจ้าภาพไม่สนใจเพราะแม่ไม่สนใจถ้าไม่มีเงินก็ไปทิ้งไหนเอาไปทิ้งในป่าก็ปล่อยให้พวกนกหนูพวกหมาป่าพวกสัตว์ั้งายทั้งหลายมา ก, กินหัวกระเด็นกระดอนแขนขาเป็นคนละทางนั้นจึงมีเขาบอกว่ามนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทําไมในะบทนี้ฉะนั้นย้อนมาถึงประเทศไทยเราทุกศาสนาก็มีพิธีกรรมเกิดขึ้นก็เพราะว่าหนึ่งความรักนะทุกศาสนาพิธีกรรมเกิดขึ้นเพราะกับความตายเนี่ยนะ เพราะความรักของในตัวของพ่อของแม่ลูกยิงทำให้สมเกียรติและเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ไม่สนบางครั้งติดหนี้ติดสินล้นตัวเพื่อเอามาทำบุญให้กับพ่อแม่นะแล้วก็ความกลัวความตายบ้างกลัวความตายาบางครั้งตัวเองเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นอะไรเกิดขึ้นก็ไปหาหมอนะแทนที่จะไปหาพระนะไปฟังธรรมโอสถมันไม่หายก็อะไรที่มัน จะดนบันดาลใจหรือว่าจะทันใจในการที่จะรักษาเราก็ไปหาลทัทธิหาเจ้าลทัทธิฉะนั้นเจ้าลทัทธิเนี่เขาก็พยายามที่จะทักหรือว่าทายในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถรู้ตามได้นะแม้แต่คําสวดจริงแล้วเจ้าลทัทธิก็ไม่รู้คําแปลนะก็จําสืบต่อกันมานะแล้วก็ทําพิธีกรรมไปตามสื บ, สบต่อมาถ้าหายก็ดีไปถ้าไม่หายก็ถือว่าเป็นเคราะ นะก็ถือว่าเป็นกรรมหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยสืบสาวเราเรื่องถ้าหายสักคนหนึ่งรู้สึกว่าดังนะฉะนั้นเจ้าลทิทิตัวนี้เกิดขึ้นฉะนั้นประเทศไทยเราทุกวันนี้นี่ลทัทธิพิธีกรรมนี่ถึงมากเลยเกินบริบทว่ามีเกือบทุกพิธีกรรมนะพิธีกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนมากจะเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์แล้วก็เนื่องจากว่าประเทศไทยของเรานั้นคนพื้นฐานจิตเดิมแล้วเนี่ยมีความเชื่อในทางพุทธศาสนา ก็พยายามดึงเอาพระเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆทุกอย่างแม้แต่พิธีกรรมในการแต่งงานนะพิธีกรรมแต่งงานนะั้นเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์โดยตรงฉะนั้นก็เลยเอาเพื่อเป็นสิริมงคลนะก็นิมนต์พระเข้าไปนะสวดมวนต์บ้างฉันเพลศอะไรต่างๆก็เป็นผลดีนะก็เป็นผลดีส่วนมากจุดประสงค์เขาคือเพื่อสู่ขวนเรืออรนะ่องเรื่องนี้าน้องของพราหมณ์นะครับฉะนั้น พิธีกรรมนี้เนี่ยสมควรที่จะรักษาไว้ไหมพิธีกรรมการแต่งงานอาตมาว่าสมควรที่จะรักษาไว้เนื่องจากว่าสาระของพรามณ์ที่เขาสู่ควรก็เป็นคําสอนตรงนั้นอ่ะทั้งเวลานิมนต์พระเข้าไปเนี่ยพระคุณเจ้าก็จะเทศสอนในธรรมะสําหรับชีวิตคู่ครองอะไรต่างๆนะก็ได้ประโยชน์ไปอีกส่วนหนึ่งนอกจากได้บุญที่เราคิดว่าจะได้บุญแล้วเนี่ยก็ได้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็พิธีกรรมของ อาการแต่งงานพิธีกรรมของทุกอย่างแม้แต่เราอยู่ตรงนี้เราก็ทําพิธีกรรมก่อนเทศน์นี่โยมก็ทําพิธีกรรมซะก่อนอพิธีกรรมเช่นไรอารัธนาศีลไหวอารัธนาศีลไหวพระวันี้เป็นพิธีกรรมทั้งหมดนะทําไมเราไม่มาแล้วก็มาไม่มาฟังเทศหรือว่าไม่เอาศพรอเอาศพไปเผาไปชาปนกิจเลยฉะนั้นพิธีกรรมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควร เพื่อเกิดขึ้นพวกความรักคนที่จะรักษาไวนะ้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าประเทศไทยเรามีมากมายเหลือเกินมีอะไรบ้างนี่ก็อาจจะให้พระเถรพุทธค่ะท่านชี้แจงเป็นชี้พิช้นมาว่าคนเราเนี่มีความหลงในพิธีกรรมมากกว่าวิชาพุทธซสอีกโดยซ้ําไปแล้วก็ไปพึ่งพิธีกรรมในการพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้พึ่งวิชาพุทธในการที่จะออกจากทุกข์ในส่วนนี้นะครับ จริงถ้ามีไม้สองตัวก็ดีนะไม้ตัวเดียวก็แล้วสดแทรกกันไว้ทันนะก็ไม่เป็นไรนะที่พระอาจารย์บอกว่าศาสนาเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอ บ, อกอบพิธีกรรมเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของการมีศาสนาในแต่ละศาสนาเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่5อย่างคือศาสนาวัตถุศาสนาสถานศ ส, สนาบุคคล ศาสนพิธีและาศาสนธรรมนะทั้งห้าอย่างเนี่ยแต่ทีนี้ในตัวแต่ละาศาสนาเนี่ยมันจะต้องมีาศาสนพิธีาศาสนสถานเรามีเราวิวัดว่าอารามเนะี่ยมีสถานที่ตรงนี้วัดถ้ำแสงเทียนเนี่ยถือว่าเป็นาศาสนสถานบริเวณเท่านั้นบริเวณเท่านี้อยู่ในป่าติดถ้ำเป็นาศสาสนาวัตถุเรามีสิ่งก่อสร้างมีศาลามีอาคารมีวัตถุมีกุฏิวิหารเรีวยกว่ า, าศาสนาวัตถุ ศาสนาบุคคลนอกจากมีวัตถุที่อยู่อาศัยแล้วก็มีพระสองฆ์องค์เจ้ามีพระมีชีมีวายศุกร์เบสิกาประจําอยู่ในศาสนาบุคคลและศาสนพิธีเราก็มีพิธีตั้งแต่เช้าเราทําอะไรทําวัดสวดมนต์จ่าก่อนจ่าชั้นให้พรมีการให้ศีลอะไรพวกนี้เรียกว่าศาสนาพิธีและศาสนาธรรมเราก็มีการปฏิบททัติธรรมก็คือตัว ปฏิบัติการเจริญสติการทำกรรมฐานการทำวิปัสนาพวกนี้เป็นศาสนาธรรมดันั้นเมื่อประกอบทั้งห้าอย่างเนี่ยก็เรียกเป็นศาสนาขึ้นมาได้แต่ทีนี้ในทีน่นี้ถ้าหากว่าจะแจงกันไปหลายเรื่องหลายราวลเวลามันจะไม่พอมันจะเบลอผมอยากจะลัดเข้ามาว่าพิธีกรรมเรื่องงานศพอย่างเงี้ยมันก็เยอะแยะแล้วนะผมไปร่วมงานศพเนี่ยผมไม่ค่อยไปถ้าไปเทศผมไปเนี่ยถ้าให้ไปสวดผมไม่ไปเพราะอะไรเพราะผมเป็นภูมิแพ้ แล้วผมแพ้ควรบุหรี่แพ้ควทูบนะแพ้ควรเทียนเพราะในที่นี่ใครมาจุดเทียนเดี๋ยวก็หายฟักทันทีเหมือนกันนู้นนะผมก็แอบไปดับมันนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นมลพิษถ้าไปเสว น, นาตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ไปเลยครับอาจารย์นะเพราะอะไรเพราะมันเป็นพิษเป็นไฟต่อต่อร่อางกายเนบางทีาศาสนพิธีเนี่ยไฟเอามาไปอยู่ถา้พาพาพระไปอยู่ถา้าไปเก็บอารมณ์ถึงรู้ความหมายว่าทำไมจึงมีทูบมีเทียน ในสมัยขั้นของการท่านมีทูบเพราะว่าเราอยู่ป่าท่านอยู่ป่ายุงมันเยอะท่านก็จุดทูบไล่ยุงนะจุดจุดเหนือแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าส ม, มัยนั้นท่านก็จุดเทียนเพื่อแสงสว่างทุกวันเนี่ยมีมุ้งลวดมียากันยุงแล้วน่ยไม่ต้องจุดทูบแล้วใช่ไหมแล้วก็ไฟหลอดหนึ่งหสวัตต์เจสวัตต์เทียนมแมลงเทียนเดียวมันก็ต้องไปจุดเทียนแหละนะแต่เราก็ยังจุดอยู่เพราะเราทิ้งเรื่องศาสนพิธีไม่ได้เพราะฉะนั้นความหมายของศาสนพิธีเนี่ยเพื่ออะไรครับ ม่ใช่เสียหายนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าเมื่อกินข้าวสารแล้วต้องรักษาเข้าเปลือกเอาไว้ถ้าไม่มีเข้าวเปลือกแล้วมันไม่มเข้าปลูกในปีต่อไปอ่ะใช่ไหมแต่เราเอาเข้าวสารไปเป็นข้าวปลูกไม่ได้าศาสนพิธีก็เหมือนเข้าเปลือกแต่มันกินไม่ได้แต่มันสําคัญเราเทียนนําไปปลูกอแต่เราจะเอ า, าศาสนพิธีมากินเหมือนข้าวสารเนี่ยไม่ได้ดังนั้น สารนิสาราพิธีบางอย่างรักษาไว้เพื่อเป็นหนอ่อเป็นเนื้อเป็นแนวนะข้าวสารที่จะเก็บไว้เป็นแนวเป็นพันเนี่ยไม่มากหรอกแต่ข้าวสารที่สีกินเนี่ยเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็กินข้าวเปลือกแทนข้าวสารกินสารสนักพิธีกันเมื่อกี้เด้อเนี่ยกินไม่รู้จี๊อิ่มแล้วก็เรียกว่าเนี่ยแก้ปัญหาก็ไม่ถูกเพราะเรากินข้าวเปลือกไม่ได้ิข้าวสารคือหมายความว่าไปทําพิธีกรรมใชเยอะอย่างสูงงานศพอย่างเงี้ยเอาไป แค่จะบังสกุลให้เสร็จเนี่ยแทนที่เราใช้เวลากันไม่กี่นาทีเสร็จแต่เราใช้เวลาสามชั่วโมงในประชาน่ะในเวลา3ชั่วโมงในโลกของเศรษฐกิจในโลกของการพัฒนาเนี่ยเวลาคือเงินคือทองเวลาคือเศรษฐกิจแล้วทีนี้ประเทศไทยของเรามีพิธีกรรมเยอะที่สุดแล้วก็โรคไัยแค่จิบแต่ละวันแต่ละหมู่บ้านมันตายกี่คนถ้าหมู่บ้านใหญ่ใเป็นพันหลังคาเนี่ยเดี๋ยวบัตรคนนั้นตายเดี๋ยววันคนนี้ตายเดี๋ยววันคนนู้นตายแล้ววันวันหนึ่งเฟธาหมาฮากี่นายก็เวียนก็เยือนกันน่ะ เหเวียนไปบางศพเก็บเจ็ดวันบางสบห้าวันบางศพสามวันแล้วประชาชนเราก็ได้พัฒนาดีไหมไปทรมาหากินมาทั้งวันเราไม่พอตอนเย็นไปนั่งฟังส่วนงานศพอีกสองสามชั่วโมงไม่ได้พักผ่อนอีกแล้ววันนั้นจะไปโรงงานใหญ่ๆที่ไม่กล้ามาลงในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะคนงานไทยนั้น หยุดเรื่องพิธีกรรมวันนี้จะไปเผาศพไปทํางานไม่ได้แต่ของที่เขาสั่งเขาลอดมาเนี่ยไอคนจำนวนเท่านี้หนึ่งพคนเนี่ยของลอดนี้จะออกมาหนึ่งแสชิ้นเขาต้องส่งในอาทิตย์นี้แต่ว่าปรากฏไอหนึ่งพันคนอาทิตย์นี้มาทํางานแค่เจ็ดร้อคนของมามันก็ไม่ถึง700ดแสชิ้นที่เขาจะสง่งใช่ไหมเพราะอะไรมันลาป่าไปเสียศพ บ, บ้างลาไปงานศพเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกับเศรษ ฐ, ฐกิจแล้วมาทําให้ประเทศชาติได้พัฒนาอาจารย์เห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของพิธีกรรมผมอยากจะทราบว่าวทำไมพิธีกรรมการจัดงานศพตั้งแต่เดิมดั้งเดิมแท้ๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าท่านทำเอาไว้กับปัจจุบันต่างกันยางไงครับพระอาจารย์ครับผมก็ที่จริงเราก็รู้อยู่แก่ใจนะคุณโยมนะว่างานศพแต่ละครั้งนี่เขาเรียกว่าคนตายเผาคนเป็นนะบางครั้ง เราเห็นแก่บางครั้งเนีเห็นเพราะเห็นเพราะเห็นแก่หน้าจัดงานศพ บ, บางครั้งเนี่ยต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์มากกว่าประโยชน์งเช่นเราไปเอาสิ่งมรสมเข้ามาเนี่ยนะบางครั้งเป็นแสน0 0 0แสน0 0 0แสนที่สิ่งมรสมเหลนั้นแล้วก็เปลืองไปกับการอยู่การจินเนยอะดังนั้นทําไมถึงบางครั้งบางคนในเก็บเงินเป็นปีสองปีหลังจากพ่อตายแม่ตายเนี่ยเอาพ่อแม่เก็บไว้เน่ยเผาแล้วเอาดูไว้ พอมาทําบุญแก่ข้าวทีหนึ่งเนี่ยหมดเป็นแสนสองแสนสามแสนเงินที่หามาได้ทั้งหมดสามสี่แสนหมดเลยนะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งคือครอบครัวต่อมาครอบครัวหนึ่งที่ที่ทําหมือนกันบางท่เก็บเก็บเงินอยู่สองปีนะกว่าจะได้ถึงสาแสนสี่แสนมาไปกับสิ่งเหล่านี้หมดนะก็ไม่เป็นไรก็ภูมิใจสําหรับความสบายใจของญาติพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ เป็นนีก่ก็มีตามมาอีกไม่รู้ว่าใครไปเน็บเล่าเน็บเบีย้ยติดเมื่อไหร่ตามร้านต่างๆเราต้องตามไปใช้เขาบอกว่าเอาไปงานไหนงานเนี้ยงานเราหมดเลยนะก็เลยเป็นเหตุหนึ่งฉะนั้นหลวงพ่อถามว่าไงเมื่อกี้นี่ผมลืมนะพีกรรมเรื่องการจัดศพในเรื่อการก <c oughs> ับสมัยอ๋อความแตกต่างของครั้งพุทธการครับครั้งพุทธการดังที่ผมกล่าวว่าส่วนมากตายแล้วเนี่ยไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นตอนที่เอาศพไปทําพิธีกรรม นะครับก็เห็นได้ตอ่อตอนต่ออายุนิดหน่อยส่วนส่วนมากพระเจ้าจะให้ความสําคัญก่อนจะตายนะครับผมนะเพราะว่าก่อนที่บุคคลกใกล้จะตายแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเร่งญานไปเห็นถ้าได้ฟังธรรมของพระองค์สักเล็กน้อยหรือว่าเห็นรัศมีของพระองค์ในทิ่มัตตคุณทารีเนี่ยนะก็จะทําให้บุคคลนั้นจิตใจเบิกบานจิตใจดีงามแล้วก็ระลึกถึง จิตใจสงบเวทนาสงบจากนั้นก็จะไปสู่สุขติถ้าตายแล้วพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ได้ไปโปรดใครตอนตายนอกจากพุทธมารดานะครับพุทธมทาราก็เนื่องจากว่าเป็นพุทธมารดาก็ตามท่านไปอันนี้ก็ในพระเด็จบุรพชัท่านพูดอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์นะครับฉะนั้นความแตกต่างของครั้งพุทธการนี่ก็คือดังที่กล่าวว่าเห็นตั้งแต่พระองค์ทร ง, งไปโปรดประชาชนก่อนที่ใกล้จะตาย นะบางครั้งก็ไปให้ศีลหาบางครั้งก็ไปให้ให้เห็นพระฉะนั้นอาตมาเคยถูกนิมนต์ไปบ่อยมากเวลาในโรงพยาบาลพระอาจารย์แม่ใกล้จะไปแล้วพระอาจารย์พ่อใกล้จะไปแล้วมาดูใจหน่อยนะอาตมาเข้าไปนะเข้าไปไปจับหายใจงาบงาบอยู่นี่นะหายใจปลาอยู่นี่อาตมาก็าไปพูดนะให้ไปให้ศีลซะก่อนไปให้ศีล น, นะวานนโมตามนมโ ม, มสามจบแล้วก็ ให้รับศินห้าพอมีเวลาที่จะรับได้เพราะว่าคนใกล้ป่วยแล้วเนี่ยถ้ารับสินห้าเนี่ยโยมแล้ว น, นี่น่าจะเอาไปศึกษาไว้นะเพราะว่าเวลาป่วยคนคนป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีโอกาสได้ทําความชั่วแล้วนะทำไม่ได้นะเป็นค่าขายยาบ้าด่าใครก็ไม่ได้แนละ้วนอกจาก บ, บ่นให้ลูกบ้างที่ไม่มาเยี่ยมนะฉะนั้นโอกาสที่เขาทํามาทั้งหมดจิตใจมันจะวุ่นวายเพราะว่าไม่มี จิตใจไม่รู้จะไปทางไหนนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นวุ่นวายใจพอได้รับสินห้าจากเราแล้วเห็นพระแล้วเนี่ยจิตใจมันสงบเป็นเวทนาพระพระเดวมุว่ า, วานะครับพอรับสินห้าแล้วเขารู้เป้าหมายว่าเอออย่างน้อยความได้เคยได้ยินได้ฟังว่าถ้าใครก็ตามที่มีสินห้าก่อนตายเนี่ยรักษาสิน5้าก่อนตายจะ ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกควอมสบายใจเขาตรงนี้มีนะครับฉะนั้นพระคุณเจ้าที่ไปเชื่อว่าหลายรูปได้ไปเยี่ยมยมที่โรงพยาบาลอย่าไปถามข่าวถามข่าวเฉยเฉยนะ นะครับให้พยายามให้ศีหลห้าให้ธรรม ะ, ะธรรมะทุกคนให้นะครับให้ธรรมะแต่ว่าบางครั้งเขาความเชื่อเดิมให้ธรรมะเฉยมันไม่เข้าความเชื่อฝังใจคือถ้ารับศีลมันรู้สึกว่าจะมีความสุขบางครั้งเพราะว่าเวลาไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยวทางเปลี่ยวไม่มีใครที่จะตามไปถูกทิ้งหมดนะครับฉะนั้นความแตกต่างคือตรงนี้ก็คือคนไทยเราเนี่ยเอชาวพูดเอาเอาในไทยเรามากกว่าวิธีกรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้น เ, นเพราะอย่างหนึ่งเกลียนนะ เอาคนรอบข้างเป็นเกณฑ์เอาเกระแสสังคมเป็นเกณฑ์เอาสิ่งที่เรียกว่ า, าในหมู่บ้านหรือเอาตามทายกเป็นเกณฑ์ก็ว่าได้ทายกบางคนนี่พอตายเพื่อนึ่งอาตมาสังเกตดูต้องไปจัดแจงเลยนะนต้องไปแต่ยังไม่ฟังพระนะต้องอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้นีน่ต้องเตรียมซองถวายพระนะเท่าไหร่ร้อยซองซองละเท่าไหร่เปลียงมากนะกับพระเนี่ยการตายแต่ละครั้อาตมาขาบอกเลย ตายศพหนึ่งอาตมาได้เป็นพันสอพันนัพระลูกวัดนั่นเองนะจะว่าดจะแค่ไหนอาตมาเรียนจบก็เพราะคนตายนี่แหละนะพูดยังไงแต่ที่จริงแล้วมันหลวงพ่อต้องบอกไม่อยากไปเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบ้านตายในบ้านอดัอดอดัดปิดประตูประตูหน้าต่างไม่เปิดจุดทุกวนขงมง้งทั้งไอทั้งสวดไม่มีแลงไม่มีแรงในบางครั้งเนี่ยแล้อ ว, ว่าแต่ก่อนสวดสังฆาลัยนั่นะที่สวดได้ฟังวันนั้นนะ่ะสวดไปทําสังฆหะนะครับ มันจะใช้เสียงแล้วก็ใช้พลังเสียงมากนะจะหมดแรงฉะนั้นอันนี้ตัวหนึ่งที่พวกเราทีนี้มีมีส่วนหนึ่งที่อาตมาเคยไปจัดงานศพของย่านะของของยายนะแม่ของแม่ของแม่อาตมาเนี่ยตายลงทีนี่ปรากฏว่าทายกบ้านนั้นนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าจ ะ, ะมั่นใจตัวเองพอสมควรตอนนั้นนะพอทายก ก็จัดแจงว่าต้องอยู่กี่วันต้องมีอะไรอะไรบ้างนะทีนี้ปรากฏว่าชาวบ้านที่ญาติทั้งหลายที่อยู่กรนะุงเทพเนี่ยบอกว่าหลวงพี่หลวงพอ่อเขาบอกหนูลางงานไม่ได้นานนะพรุ่งนี้ต้องกลับคนนั้นก็กลับตุ้เย่อกลับหลังจากที่เผาเสร็จเผนะาเสร็จแล้วจะแต่ก่อนบ้านเราเนี่ยเผาแล้วเนี่ยต้องเก็บไว้ถึงสามวันนะใช่ไหมมันบอกพยาบาลเก็บไปถึงสามวันนะทาไมต้องเก็บไว้สามวัน ทำไต้องเก็บไว้กี่วันอันนี้ไม่มีใครตอบได้อาต ม, มาถามหลายคนนะนะก็เหตุผลก็คือหนึ่งถ้าเวลาเราไปคดเอากระดูกมันร้อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอามาแล้วมันระ้อนนะฉะนั้นจึงเก็บไว้สมวันคือคือจุดประสงค์งตัวนี้นะตอนนั้นเผาไปไหนต้องบอกว่าบ้านเรามันเป็นเป็นกองแต่ก่อนเป็นกองฟอนน่นะไม้เผ า, นะ า, า, า, าอย่างเงี้ยนะทีนี้อาตมาที่บอกว่าเอาเอาเงี้ก็แล้วกันนะสวดไปทำก็สวด สมวันแล้วก็เผาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เช้าไปเก็บดูกเลยพรุ่งนี้เช้าไปเก็บกระดูกแล้วก็เอามาตักบาดเชา้าเก็บอธิเข้านะเก็บอธิไว้เป็นอันเสิ็จพิธีใครจะไปไหนก็ไปแล้วค่อยมาว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งธรรมะอ า, อางั้นทีนี้ทายกยกอดเดียดดานนะที่ทีนี้นะทายกเดียดดานก็เข้ามาบอกกันมหาอย่างนั้นอย่างงี้ก็เลยถามว่าถ้า ที่เก็บไว้สวันหรือว่าต้องทำกี่วันนะยืนยันได้ยังไงว่ายหญอาตมาจะได้ขึ้นสวรรค์นะยืนยันได้แล้วก็เอามาจากไหนตำราเนะี่เก็บไว้3วันถามตอบไม่ได้นะแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยอาตมาขอตายแทนเองถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นจะเป็นอาตมาบอกเลยนะนะเงียบนะก็เลยจากนั้นมาก็อาตมาก็รู้สึกว่า ก, กระชอนในเสทางที่ปฏิรูปพิธีกรรม จากนั้นแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นด้วยนะโอ้แมน่นใช่แล้วพระอาจารย์จะเก็บไว้นานเนอย่างนี้แล้วค่อนมารวมตัวมีโอกาสมาทําบุญกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้ามีเหตุปัจจัยพอสมควรนะเพราะว่าจะมาเอาจากไหนเอาจากในเมืองในเมืองคนแก่นเนี่ยร้อยศพก็เกือบทั้งร้อยเปอเซนตที่เวลาตายแล้วเนี่ยนะเขาพอตายเสร็จเนี่ยก็อาจจะมาเก็บไว้3วันเจวันรอญาติที่มาจากต่างประเทศบ้างที่มาจากที่อื่นบ้างมาฟังสวดธปทำได้เป็นสภาพหรือ ว, ว่าบางครั้งมี ผลกว่างขวางก็จะภาพมาเยอะเนี่ยเขควรเก็บไปเยอะไม่ว่ากันนั้นเหตุปัจจัยหนึ่งคือเหตุผลเขาเก็บไว้เพื่อรอญาติรอพี่รอน้องที่มาจากทางอื่นทางไกลนะบางครั้งเผาก่อนก็เป็นเรื่องอีกนะอันตรายนะก็ต้องเก็บไว้ทีนี้พอตายไปแล้วทุกคนเขาเสียสละเวลามาร่วมกันเนี่ยนะก็การงานก็คือนะการพัฒนาประเทศนะนะนะแต่เก็บไว้นานก็ส่วนมากพอเก็บปุ๊บเผาวันนี้ คุณนเช้าเขามาเลยมาเก็บกระดูกพระพาเจเก็บกระดูกแล้วก็ตอนเช้าก็ไปตักบาตรที่บ้านตักบาตรที่บ้านหนึ่งก็คือดีอย่างหนึ่งวัดธรรมมาอยู่เขาท่านจะบอกว่าไม่ต้องจัดอาหารนะเอาเข้าวต้ม อ, อย่างเดียวพอเพราะว่าในเมืองกับบ้านเราไม่เหมือนกันบ้านงานศพแต่ละทีคนมาร่วมงานเนี่ยก็มีแต่ญาติสามสี่คนโดยเฉพาะวันตักบาตรนะขนาดตักบาตรวันนั้นอ่เะเผาเมื่อวานนี้ตักบาตรวันเนี้ย ก็ยังมีคนมาตักบาตรแค่สี่ห้าหกคนบางครั้งมีแต่เฉพาะครอบครัวไปเก็บไวนะ้นา <c oughs> ก็ไรอันนี้เฉยก็เลยเอาพิธีกรรมตัวนี้มามาทํากับญาติตนเองที่บ้านส่วนมากโดนนี้เขาเอาแบบอาตมาหมดแล้วนะถามว่าแล้วแต่เหตุผลของใครขมันที่จะชั่งน้ําหนักดูตรงไหนที่จะเป็นประโยชน์ฉะนั้นพุทธศาสนาคือเอาประโยชน์เป็นใหญ่อย่าเอาความเชื่อความเชื่อเป็นหน้าที่ของเป็นเครื่องมือหากินของเจ้าลัทิ นะีความเชื่อเนี่ยถ้าเหตุผลนี่พระเจ้าสอนให้รู้จักมีเหตุผลช่างดูว่าตรงไหนมันสมควรหรือไม่สมควรเป็นอุปกรณ์เป็นวิชาของรัทธศาสนานะไม่ใช่ความเชื่อแบบไม่มีหลักการ ม, มีเหตุผลฉะนั้นพิธีกรรมทั้งหลายความแตกต่างของบ้านเรากับทางพุทธการนี่จะเห็นชัดเจนมากนะครับฉะนั้นมีอะไรที่พี่น้อพ่อจะเสริมหรือแนะนําก็กลับ ก็ผมถามว่าการจัดงานศพครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันเนี่ยต่างกันอย่างไรคือสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านต้องการให้ศพเนี่ยเป็นประโยชน์เรื่องพิจารณาสุภกรรมฐานนะฮะ <c oughs> ขอยกตัวยอย่างอย่างนางศิรีมาด้วยจักนะนางศิรีมานี่เป็นสาวสวยก็เรียกเป็นสาวสวยประจำเมืองเพราะฉะนั้นใครจะไปอเรียกว่านางศิริมาเนี่ยจะมีงานก็คือเป็นนางงามนางงามเมืองอนะเนาะนางงามเมืองทิศปรากฏว่าเอาละพระวันหนึ่งพระไปบิณฑบาตบ้านนางศิรีมาปรากฏว่าพระองค์นี้เป็นพระผู้นิชนนะนะ หลังจะวินบาบัตรกลับมาแล้วไม่กินข้าวกินน้ําสาวันไปหลงรักนางศิริมาเข้าไม่ยอมฉันข้าวแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นสามวันเนี่ยนางศิลีมาเกิดเป็นเป็นลมตายครับเรื่องกของหัวใจวายแล้วเป็นลมตายก็ก็มีคนส่งข่าวกับพระเจ้าว่านางศิลิมาตายพระเจ้าบอกว่าให้เก็บศพไว้ก่อนนะแล้วพอถึงวันที่สามพระเจ้าก็ให้ไปให้พระไปบอก พระองค์นั้นที่ไปคือนอนส้มพอ่ะเพราะพิรักที่ไปเจอไปไปไปเห็นนางศิริมาเข้าบอกว่าให้พระองค์นั้นไปด้วยแล้วพระองค์ก็เขาก็มานิมนุษ์พระองค์ไปงานศพนั้นพระองค์ก็บอกว่านิมนุ์นพระลูมนั้นไปด้วยพอไปเห็นเนะี่ยพอไปถึงงานนั้นพระภิกษุพระภิกษ า, าก็ถามว่านี่คือศพใครศพนางศิริมาท่านก็บอกนี่แหละภิกษุ ขึ้นี้คือนางศริมาเพราะนั้นเก็บไว้สามวันนั้นศพร่มขึ้นอื่นได้ใช่ไมถ้าเมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้เผาทันทีน ะ, ะเพราะไม่มียาศีนไม่มีพิธีกรรมเนี่ยเอาไปที่ประชา้าไปวางที่นั่น ก, ป ก, กปน็ปรากฏว่าพระองค์ก็พาพระไปพิจารณาปรากฏร่พระโองนั้นเกิดเห็นนางศริมาแล้วคนละเรื่องกันที่ได้เห็น วันก่อนเลยที่สวย ง, งามจับใจแต่วันนี้ขึ้นอื่นหน้าตาปิ้นแลบลิ้นยาวไอ้หนังจากออกมาเลือดหนองไหลภาพพิสูุน์รูปนั้นก็สลดุดในสุดพระองค์ก็แสดงเรื่องอสุภกรรมฐานว่าร่างกายนี้ก็พูดถึงเรื่องอนิจจาวัฏสังคาราขึ้นมาปรากฏพระองค์นั้นบรรลุธรรมกับ นี่คือเป้าหมายในการไปงานศพจัดงานสพในสมัยนั้นเพื่อเอาสุภารากศูนเนี่ยเป็นดอกไม้แห่งกรรมฐานเป็นที่พิจารณากรรมฐานนะแล้วก็ต่อมาปัจจุบันนี้ก็พระมีพระบางวัดก็ทำเช่นนั้นแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับครั้งบู้การผมได้ทราบข่าวจากวัดนะโพธิยานสนะาขาหนึ่งของพระชาที่ เกิดซีลินทรเมื่อก่อนรพระที่เป็นเจ้าวาดวันนั้นอนะ่ะเป็นพระชาวออสเตรเลียชื่อว่าท่านอ่าเยอะเอ็นามองท่านเลยนะเดี๋ยวจะเอาท่านมาขายเนะีอ่ า, าสิบแษาแล้วนะท่านจะสั่งเลยชาวบ้านคนไหนตายเนี่ยขอมาไว้ที่ป่าช้าแล้วท่านจะเป็นเจ้าภาพจัดงานศพแให้แต่ว่าตายแล้วมาไว้ที่ป่าชา้าสมวันแล้วท่านก็จะพาพระในวัดเนี่ยถ้ า, าแบบอย่างพุทธเจ้าเนี่ยพาพระในวัดไปพิจารณา ไปตอนกลคืนนี่นะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะไม่ได้ไปตอนกลางวันนะสี่ทุ่มทุ่มก็ไปจุดเทียนพิจารณาโศกกันทำอย่างนี้เป็นประจําครับเรียกว่าต่อมาพระนี้ก็ดังมากในการเทศการสอนยอะไรต่างๆที่ต่อมาเมื่อประเทศลาวเนี่มีปัญหาตรงนั้นมันก็เรียกว่าติดกับช่องไมกันนะติดดินแดนลาวคนลาวก็อพยพหนีตายเข้ามาเมืองไทยทีนี้มีอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของเขื่อนศรลินทรเนี่ยก็ได้แฝนคนลาว แฟนคนลราก็ไม่นานปรากฏมีอุบัติเหตุคนไทยคนนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอุบัติเหตุตายไปที่แฟนแกเป็นคนเราเนี่ยเแกร้องห h o ร้องให้ซะจนนึกนว่าจะไปบินเทบะฎพระองค์นี้ก็ไปบินเทบะฎไปเห็นโยมคนนี้ร้องให้ทุกวันบินเทบะฎก็บอกว่าโยมให้ไปทํากรรมาฐานที่วัดโยมคนนี้แกก็ไปทํากรรมาฐานที่วัดไปทุกวันเหมือก น, นกันจนกระทั่สางโศกสางเศร้าทีนี้ ท่านก็พิจารณาสุภาพมาอย่างดีแต่เพราะว่าไปเจอฤทธิ์ของ อ, อะไรล่ะพิลักแรงถึงแบบทัพระอนั้นที่เห็นนางศิริมาเข้าก็ในที่สุดท่านบวชมา18ปดรรษาแล้วพิจารณาอสุภาพแทบทุกศพนะแต่ก็ไม่พ้นจากอานาจของกามฉันทะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการพิจารณาจุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัวอสุภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดสรุปสังเวช เสมอไปนะแต่ว่าถ้ายังมีอาสวะรลึกๆอยู่เนี่ยจะพิจารณายัไงมันก็ยากอยู่ถ้าหาว่ากรรมฐานนะั้นไม่ถูกต้องดังนั้นที่กล่าวในที่นี้พิธีกรรมจัดงานศพในสมัยนั้นเพื่อที่จะไปให้กำลังใจแก่ญาติเพื่อที่ไปปลอบญาติที่กำลังเศร้าโศกเสียใจเนี่ยให้คลายโศกและประโยชน์ที่สองเพื่อที่จะนาพระไปพิจารณาศพนั้นเป็นอสุภเพื่อปรุงกรรมฐาน ก็ประโยชน์ส อ, อย่างเลยนะนคือทรงเล็งประโยชน์อย่างแรกเพื่อปลอบประโลมแก่ท่านเจ้าภาพแล้วดึงท่านเจ้าภาพมาสู่ธรรมธรรมอัประโยชน์อันที่สองเพื่อที่จะนําพระไปเนี่ยไปเป็นการปรุงกรรมฐานแต่ปัจจุบันเนี่ยพิธีกรรมที่จัดขึ้นไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นนะครับเพื่ออะไรบ้างหลายๆอย่างอย่างที่ท่านเจริญในมาแล้วเนี่ยว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าภาพ อ่าแล้วก็จัดงานสารพัดอย่างไม่ต้องเจรนายแต่ว่ามีพิเศษด้วยนะอย่างฝักใต้เนี่ยถ้ามีคนตายหนึ่งศพเนี่ยอำนาจสิขาดที่ว่าจะเก็บไว้กี่วันไม่ได้อยู่ที่ท่านเจ้าภาพครับอยู่ที่วงการผนัน <c oughs> ถ้าเก็บไว้3วันเนี่ยฉันให้ทุนนี้5วันเนี่ยฉันให้ทุนนี้7วันฉันให้ทุนนี้นะเพราะมันมีการได้าการเสียในวงผนันนะแล้วก็บางทีอันได้เป็นสสแสนแสนล้านนะเราก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าภาพสุก ทีต่อมาตอนนั้นมาไปอยู่ที่สวนโมกปี161718เนปี่ยปรากฏว่าพระเทศฝีปรากเอกลูกศิษย์กัจจานุท่านในชื่ออาจารย์มหาปทิมนะครับท่านก็ไปเทศงานศพท่านก็รู้แล้วท่านก็เป็นคนที่นั่นด้วยท่านคนพื้นที่นั่นเลยหลังจากที่ท่านไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อพุฒาท่านเนี่ยก็ได้อารมณ์กรรมาฐานครับก็ไปเทศเรื่องเนี้ยเต็มที่เลยนะใส่เต็มที่ในใส่เจื้อผ้ า, าเต็มที่เนยว่าการจัดงานศพนี้เป็นพิธีที่งมงายไร้าสาร ะ, ะผิดกฎหมายเรื่องหนแจงไป ปรากฏเป็นไงเสียงปืนดังขึ้นหลังธรรมราชก็ชิดถูเลยในะส่วนหูได้ว่าเฉียวหูไปนิดเดียวเลยว่าแต่ปรากฏว่าท่านแน่นอนว่าก็เทศ่อเลยครับเหมือนกับยิงยิงท่านก็เรียกว่าเป็นขนปักใจด้วยกันนะฮะยิงยั่วยิงยิ ง, ยงเหมือนยิงยั่วนะไม่กลัวครับในที่สุดเจ้าภาพต้องยอมพวกวงการพนันต้องยอม ตั้งแต่นั้นมาอนาะจารย์มหาปฏิบินเรียก ว, ว่ารือลั่นมากเลยนะไปที่ไหนก็เรียกว่านีมโนด้วท่านประเทศนะด่าทั้งเจ้าภาพด่าทั้งวงการพนันนี่แหละนะเนะพราะท่านเป็นคนที่มาแรงไปแรงมากนะซึ่งอันนี้แหละครับมันมีหลายเงื่อนไขการจัดพิธีงานศพและสิ่งหนึ่งที่ทำผมให้ทาให้ผมติดอารมณ์มากมากก็คือว่าไปแต่ละศพเนี่ยผมไม่อยากไปเพราะอะไร พาดบางส ก, กุลแต่ละชุดนะฮะขอได้รับเกียรติจากเรียกกันย่างนั้นะโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยอย่างหนึ่งผมไม่อยู่อย่า ง, งเหนื อ, พอเพราะอะไรพ่อไปงานสมเนี่ยผมมันมีญาติเยอะเนาะสมมว่าคนไปสักห้าร้อคนองแขกผู้มีเกียรติอย่างน้อยร้อยคนใช่ไหมแล้วก็พลาดใจก็ต้องร้อยฝืนที่กว่าจะจบแขกผู้มีเกียรติมันเข้าไปสามชั่วโมงนะครับอเพราะฉะนั้นอันนี้คือพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเวลาสูญเสีย อ, อะไรหลายอย่าง แต่พิธีกรรมมันกลายเป็นคําสอนอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนั้นตรงนี้อาจารย์เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรผมอยากจะหาทางแก้แต่ผมยังมองทางไม่ออกอาจารย์มีอะไรที่จะหาทางแก้ในด้านนี้ได้ไหมครั บ, รบก็เสริมนิดหนึ่งนะครับย้อนทวนคืนก็คือว่าหลวงพ่อบอกว่าลูกศิษย์บอกว่าพระธาตถูกถูกปืนนะครับ ครั้งหนึ่งผมหลายครั้งนะแต่ว่าที่ชัดเจนที่ภาคอีสานเราก็เยอะนะครับโดยเพราะไม่อยากบอกนะว่าเป็นจังหวัดคนแก่นนะครับรู้สึกว่าเขาซื้อเหมือนกันครับผมปกติเวลาคนตายสามวันก็คือแค่นั้นเก็บศพได้วงการพนันบ้านนั้นเป็นบ้านที่ชอบเล่นมากก็เลยซื้อต่อเป็นห้าวันแล้วก็เป็นเจ้าภาพสวดเองนะเป็นภาพใส่ซองถวายพระเอง เราท่านก็มาเนี่ยเนื้อมนท่านเนาะท่านก็มาสวดถึงห้าวันเก็บมากคนนั้นไม่ได้เพราะตํารวจเขาอนุญาตแค่ห้าวันนะ <c oughs> ก็อันนี้ก็คือเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็มากถามวัดวาราต่าง ๆ, ๆก็จวาวาทบมีเยอะแล้วก็บางครั้งนี่คนแก่ น, นี่นะครับที่จะไปบอกว่าอำเภอเขาส้นกวางอนะไรเนี้ยไปงานศพต้องขอทางวงไฮโลเข้าไปสวดนะครับสองชั้นนะ น่าสนุกมากชั้นหนึ่งก็วงหนุ่มสาววงมือสมัครเล่นชั้นในในวงอาชีพนะวงมืออาชีพนะครับต้องขอทางหน่อยภาพมาแล้วเขาประกาศขอทางหน่อยเขาเขาไม่ลูกนะเขาเอย่างเงีนะ้ยนี่มนะุษย์ผู้หญิงผู้ชายเอาแค่เงี้ยพอให้เราเลาะเไปได้นะแล้วก็น่าสนุกอีกอย่างนึงก็คือคนที่มาเล่นเนะี่ยคนที่มาเล่นบางครั้งก็ส่วนมากจะเป็นไม่ลูกอ่อนเยอะ ฮุมลูกแต่คาบมาเล่นแทงนะลูกก็งอเงี้ยจับหน้าจับหลังนะแล้วก็เด็กก็มาหุ้มแต่ระวงแต่ระวงเยอะเด็กยักนะสูงต่ำต่ำเขาก็ว่าไปเด็กก็เล่นชนี้นเลยเห็นว่าคุณภาพของการที่จะดึงคืนจากสิ่งตัวเนี้ยมันมันผมมองไม่เห็นทางเลยเพราะว่าทําไมถึงมองไม่เห็นทางโดยเพราะเขตนั้นนะเจ้าวาดนะก็ส่วนมากจะว่าเอ ได้ลายมาได้ขึ้นเนี่ยถามถามเจ้าภาพได้เยอะไหมคืนเนี่ยนะได้จากวงการมานั้นทําไมไม่เอาวันนั้นอันนี้มาวัดน้อยได้เยอะๆอะอ่ะนี่าองนี่นะแล้วก็จเจ้าอาวาสก็เป็นผู้ที่พรรษาก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นพระนะสูงอายุฉะนั้นก็ไม่สนใจเรื่องการเทศการสอนเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นแค่รักษาพิธีกรรมตามที่โ ย, ยมจะนิมนต์ให้ทําอย่างไรตัวนี้สําคัญนะ ตามแล้วแต่โยมจะให้ทําอย่างไระไม่มีว่าโยมต้องทํางั้นอย่างนี้นะไม่ได้บอกสักทีหนึ่งมีแต่หลวงพ่อเอาหลนเพ่อเอางัา้นงี้หลวงพ่อไปนั่นหลวงพ่อทํางี้โยมไน้นาหมดอะนะ <laughs> มันก็เลยเป็นสิ่งที่อจะฝืนได้ยากนิดหนึ่งในตามชนบทเราด้วยว่ามันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่อบอกว่าวาัดวา่าอา ร, รามต่างต่างทั้นเป็นพระอารามหลวงหมดหนะอารามหลวงตานหลวงตาเฝ้าองค์สององค์ ผัดเปลี่ยนกันปีสองปีนะล่วงเลยไปก็โออื่นเกิดขึ้นมากว่าจะหามาได้นะครับแล้วก็ภาชนะเทศจะสอนก็ไม่มีนะเพราะว่าการศึกษาฉะนั้นผมถึงมองว่าตามที่เข้าใจนะครับที่จะออกจากจุดนี้ได้ที่จะสลัดพิธีกรรมเบื่อหน่ายพิธีกรรมได้เนะี่มีแต่ทางการปฏิบัติอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการปฏิบัติรรำนี่อย่างน้อยที่เรามาเนี่ยไม่รักษาก็ได้นะไม่เอาก็ได้ในพิธีกรรมที่โยมจะเอามาให้เนะี่ย หลวงพออ่อเอาลัทธนาซีนวดไม่ต้องก็ได้มาเผาเลยก็ได้รับได้พระรับได้แต่ว่าเรารักษาไว้เพื่อความดีงามแล้วก็ความพร้อมเพียงกันอย่างหนึ่งนะมันเพราะว่าไม่เห็นความถ้าพูดถึงอาตมาเองนะไม่เห็นความจําเป็นนะของส่วนตัวนะแต่ว่ามันจําเป็นของสังคมเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วนี่มันจะเห็นพิติกรรมนี่เป็น สิ่งที่ไร้สาระเลีมันมีงแต่แก่นต้องมีสติอย่างเดียวคนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาอย่างเดียวมันหลวงพ่อท่านบอกวเมก่อนนี่ว่าทำไมปรงอสุภาถึงอ่า1ิบ8็บปปีดูแล้วดูอีกมันทำไมถึงไม่สามารถละตัวนั้นได้อสุภาอสุภาเนี่ยเเหมือนกับสมถะในมันสมถะมันก็นึกถึงอาตมาเห็นจนชินเไอ้พวกอสุภาเนี่ย นะภาพอะไรต่างๆเช่นแต่ว่าเพื่อนามาหลายรูป mm hmm. ก็สื่อหมด mm hmm. อ่ะนั่นที่เป็นดูอสุภะด้วยกันนะสื่อหมดทําไมถึงต้องออกไป mm hmm. เนื่องจากว่าไม่เขา้าไม่เข้าใจทุกของวัตะที่แท้จริงนะเข้าใจทุกของวัตฏะสงสารออกไปมันรู้สึกว่าถึงบอกว่ามันน่าจะมีทางเดียวคือการปรพิพิธปฏิบัติธรรมให้เข้าใจจุดนี้แต่ว่าพอเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะไปลบทิ้งนะพิธีกรรมเนะี่ย ลบทิ้งเลยไม่ได้หักเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าลบนียมันจะหักมันจะค่อยๆบอกค่อยๆแกะออกทีละนิดเราจะใช้อารมณ์ใช้ความรู้ใช้ความเข้าใจเข้มข้นไปไปแกะเลยไปหักเลยหังดิบเหมือนกับหลวงพ่อท่านบอกถูกยิงใส่นะอันนี้ก็มีเยอะอาตมาเขถูกด่าถูกว่าก็มีบางครั้งทายกเจ้าภาพพวกทายยกเจ้าภาพเป็นไงรลร่ะทายยกเจ้าภาพบอกสาทุอาจารย์พูดได้ดีแล้วเวลาเทศน์อาตมาก็เทศน์ถามนะ เทียบคียงให้รู้สึกเ ก, ก็บๆนิดๆไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผ่าเลยอันนี้ถูกอันไหนไม่ถูกนะจะพาบอกสาธุดีแล้ววิญอาจารย์ดีแล้วแต่ว่าพวกทายกหรือว่าพวกผู้ใหญ่บ้านหรือขอโทษนะผู้ใหญ่บ้านนั่งตัวเนี้ยผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่เป็นหรอกนะบ้านเาตมาเนะผู้ใหญ่บ้านนี่ว่าผู้นําจะมาพระอาจารย์ไม่ต้องพูดอย่างนี้ในวันหะลังนะนะพวกอเพื่อนผมมันว่าให้ผมอย่างเงี้ย ทำไมไม่บอกภาคก่อนค่อยเทศอะไรสมุนนี้นะสมมติว่ใช้ไม่ค่อยเทศโดยที่ไม่ค่อยอาราธนานะถ้าอาราธนาธร ม, มาจะให้ยกให้รูปอื่นหรือคนอื่นเนะพราะว่าถ้าอาราธนาเมื่อไหร่จะมีการเทศนะถ้าเทศแล้วก็ธรมามักจะขอโอกาสคณะสงฆ์แล้วก็พูดเล่นพูดระไรหยอกแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปแล้วก็ตีบ้างเชี่ยนบ้างแล้วก็ใส่แผลใส่ยาบ้างนะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวพิธีกรรมทั้งหลายเนี่ย ทางออกคือมีอแต่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็รู้จักเลือกเอาแกะออกไปเรื่อยๆรักษาสิ่งที่เป็นสาระนะสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็รักษาไว้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะถ้าคนรู้แล้วนี่ยก็ไม่จําเป็นรู้อะไรก็คือรู้ว่าความทุกข์มันไม่ไ้หมดเพราะพิธีกรรมความทุกข์ที่แท้จริง เ, งเนี่ยมันหมดเพราะการรู้จักสลัดออกจากจิตใจใตัวเองเนี่ยมันเป็นบกมุญตรงไห น, นมันคล่องคาตรงไห น, น ก็ไปปดตรงนั้นวางตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าันหมดเพราะเราไปถูกน้ำพุทธมนต์แล้วทุบมันดับมันไม่ใช่มันไม่มีเป็นไปไม่ได้พิธีกรรมน้ำก็ดีพิธีกรรมไฟก็ดีเวลาเรางานศพเราเนี่ยเราต้องทำไมต้องไฟจุดมันก็มาจากลทัทิบูชาไฟนะ่ะทำไมต้องน้ำรินเนี่ยมันก็มาจากความเชื่อของพราหมณ์เท่านั้นนะ่ะที่จริงแล้วเราไม่มีเพราะว่าการสวดก็ดีกัน ทำก็ดีจะนิมนพระเท่าไหร่แต่มาเคยพูดหลายครั้งว่าเจนิมนพระมาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเวลาท่านตายแล้วเนี่ยพ่อเราแม่เราได้ขึ้นสวสรรค์ก็ผ่าสวดไหมไม่ได้ขึ้นโยมเริ่มตกใจทําไมไม่ได้ขึ้นหมดไปเยอะแล้วนะทําไมไม่ได้ขึ้นที่นิมนพระมาเยอะๆเนะี่ยบางครัง้งโอ้โงานนั้นยิ่งใหญ่นิมนพระมาเยอะได้หน้าได้ตากันไปถ้ามันได้เพราะการนิมนพระมาเป็นรนะ้อยเป็นพันเนี่ย ก็ไม่ต้องทําบุญอะไรแล้วนี่มนุ์พระมาสวดแล้วขึ้นสวรรค์ก็ปล่อยไปนะแล้วก็จุดพลุไลขึ้นฟ้าไปไม่ต้องยุ่งยากคนจะได้ขึ้นสวนรรค์พระเจ้าเขาบอกมีอยู่นะก็คือคาถานจิตเตสังคเถทุคติปาติกังขานะถ้าจิตใจเศร้าหมองขนาดที่วาระจิตสุดท้ายจะตายเนะี่ยวางไว้ได้โปรงไม่ได้ลูกฉันยังไม่มาอะไรชันไม่มานะที่นายยังไม่แบ่งทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆกลัวพี่คนัน้องกลัวลูกหลานจะแย่งกันมันโปรงไม่ได้วางไม่ได้เนี่ย จิตใจเศร้าหมองวุ่นวายใจหรือบางครั้งคิดถึงแต่สิ่งที่เวลาตายเนี่ยภัยมัจจุตตัวหนึ่งคือความกลัวมันจะผลสิ่งที่เราวิตกกังวลออกมามากสุดสิ่งที่เบื้องลึกในจิตแจของเราเนี่ยเคยเป็นด่าใครเคยไปตีเคยไปฆ่าใครเคยไปทําร้ายใครทาาไม่มีสติในการเบรกกันยั้งตัวนั้นได้ตัวนั้นมันจะขึ้นมาเพราะว่ามันรู้ว่ามันต้องเดินไปคนเดียวทางเนี่ยไม่มีใครติดตามเราไปส่งเราได้นะมาคนเดียวต้องไปคนเดียวฉะนั้นสิ่งไหนที่จะไปได้ มันรู้สึกว่าบ้านที่เราสร้างมาทั้งหมดเราไม่สามารถเอาไปได้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เราเอามาทั้งหมดมันไม่สามารถตามเราไปได้ทํามาทั้งหมดศูนย์เปล่านะก็ทิ้งให้คนรุ่นหลังเขาเหมือนกับดูแลต่อไปเป็นสมบัติพัดกันชมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามไปคือเหมือนกับสร้างมาทั้งหมดไม่ได้อะไรเลยนอกจากคุณงามความดีที่นึกถึงมันให้ได้ความชั่วมันมากกว่ามก็ผุดขึ้นมาผล ข, ขึ้นมาจิตใจเป็นเดือดร้อน นะฉะนั้นจึงทำให้เราจิตเตสังหริเตะทุกติปาติกังขาถ้าจิตใจเศร้าหมองเลยทุกติคือความไปสู่นรรภูมินะไปสู่อาบายภูมิทั้งสีไม่ต้องหวังมันก็ได้ถ้าจิตใจไม่เศร้าหมองจิตเตอสังหริเตนะสุกติปาติกังขาถ้าจิตใจไม่เศร้าหมองเบรกดูจิตใจตัวเองได้ดูสติได้เหมือนพระจารย์ ม, มหาสุ ป, ปองนะเพื่อนอาตมาคนหนึ่งนะพระอุดมหลายรูปเคยไปเคยไปงานศพท่าน นะที่มรรคภาพก่อนเข้าประสานิดหนึ่งหลวงพี่อุดมอธรมาล์กล้องถ่ายรูปถ่ายใบหน้าท่านยิม้มอิม่มเอิบใจเหลือเกินเน่ะมีความสุขเราดูแล้วก็มีความสุขนี่คือผู้ที่ถ้าเจริญสติไปแล้วมันเตรียมตัวตายได้ไม่ต้องทําอื่นะมันเตรียมตัวมันถึงเวทนาที่เกิดขึ้นก็ดู ด, ด, ด, ดูพอมมันจะดับมันจะเห็นมันไม่หลบสติเวลาตายจริงๆนะอธรมาไม่เคยตายหรอกแต่ว่าอนุมานออกมา น, น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ก็ดูก็รอวันนั้นถึงเหมือนกันรอวันดูมันจะขาดเหมือนกันนะมันจะไปเมื่อไหร่จะไปทํำร้ายมันนะต้องรักษาไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันจะไปเราก็เบรกไม่ได้ก็ต้องดูมั น, นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ผมก็ถา ม, มาาว่าถางออกเป็นอย่างไรก็ดังที่กล่าวมาครับจะเคลียร์หรือว่ายังไงก็ <laughs> กำลังนิมนต์นนะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับ <laughs> คือคือเห็น ตัวอย่างไม่ชัดอ่ะผมอยากจะคือคนเราเนี่ยระดับสติปัญญามันไม่เท่ากันอาจารย์นนะเมื่อระดับสติปัญญาไม่เท่ากันถ้าสมมุติว่าเราระดับสติปัญญาความรู้ประสบการณ์อย่างเนี้ยเราจะเอามาตรฐานของเราไปวัดกับชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาสติปัญญาประสบการณ์ความรู้เรื่องศาสนาเขาไม่ถึงเขาก็รู้ความกลัวใช่ไหมที่อาจารย์พูดว่าศาสนาพิธีเกิดจากความกลัวเพราะกลัวเกิดเพราะอะไรพราะเขาไม่รู้ ใช่มครว่าความไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความรู้ให้เขาที่วิธีการสร้างความรู้ทางออกที่เราเห็นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปภูมิทําอะไรสูงๆที่เข้าใจนะอย่างวัชุประธานนะครับวัชุปทานเขาทาก็คืองานศพเพราะว่าวัดในกรุงเทพเนี่ยเขาุบไปวัดที่วัดครับอันนี้ผมก็ย้ำนะชาวบ้านระเกินแต่ชาวบ้านกลัวเอาศพไปวัดที่วัดเพราะงั้นนะที่บ้านผมน่ยถ้าใครเอาศพไปวัดที่วัดน่ยทางวัดจะจัดการให้ฟรีหมดเลยก็ยังไม่ค่อยยอม โบ้เอาบ้านของเขาสร้างมาเนี่ยต้องเอาเก็บไว้ที่นี่อะไรน่นเอาไปไว้ที่วัดทำไมไปที่นู่นเลยเวลเขาไว้ในวัดไว้ในวัดในวัดหมดนะถ้าหากเอาไว้ในบ้านเนี่ยมันปัญหาหลายอย่างคนไปมาไม่สะดวกการจัดการอะไรในบ้านน้ําไฟทุกอย่างแต่ว่ายอมสูญเสียเพราะความไม่รู้นะทีนี้วิธีการจัดการทําไงอย่างวัดชมพทานเนี่ยหลวงพ่อปัญ ญ, ญาณทวิขุท่านเอาศพไปไว้ที่วัดและประโยชน์ที่ได้ก็คือว่า ท่านจะมาเทศทุกครั้งว่าการจัดงานศพเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรท่านก็จะฝึกฝึกพระให้มาเทศนะฝึกพระเทศเอาพระมาเทศในเรื่องของเนี่ยบอกถึงพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพาพิธีกรรมเนี่ยมันกับการเตรียมที่เราจะทานอาหารเนี่ยการเตรียมอาหารคือพิธีกรรมการจะอาบน้ํา นะชําระตัวการที่เรามีสบู่อะไรคือการพิธีกรรมแต่สบู่ไม่ได้ทําให้ร่างกายสะอาดนะแต่น้ําล้างสบู่อยน้ำยังล้างสบู่ไปพิธีกรรมไม่ได้ให้ทำให้จิตใจเราสะอาดแต่ว่ามันเป็นเหตุให้อาบน้ําชําระกายให้สะอาดนะดังนั้นทุกอย่างมันมีพิธีกรรมแต่ว่าไม่มากเกินไปพิธีกรรมนั้นมันเหมือนกับเปลือกเข้าสาร แล้วพิธีกรรมถ้าหากมากเกินไปเหมือนก็เปลือกมะพร้าวถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ได้กินนะเหมือนก็ไม่มีที่ไม่ได้กินมะพร้าวว่า ง, งั้นเถอะเอาเปลือกบางๆเปลือกแอปเปิลเปลือกพุทราเปลือกยางงุนพวกนี้มันมันก็กินง่ายทั้งเปลือกทั้งเนื้อได้ถ้าหากว่าเป็นเปลือกอย่าเข้าสารก็ต้องไปสีเหมือนถึงจะได้นั่นพิธีกรรมเหมือนกันเป็นการเจียมยักขโมยเนี่ยจะโชคกันก็ต้องมีพิธีกรรมใช่ไหมขเขาเรียกอะไร ไหว้ค ร, ครูพิธีกรรมมีความหมายเพียงไหว้ครูไหว้ครูเพื่ออะไรเือตั้งสติตั้งสติตั้งใจว่าจะสู้นะจ๊ตามอุติถ้านักมวยระดับเล็กๆ เ, เนี่ยพิธีกรรมมันเยอะใช่ไหมไหว้ครู 2-3 นาทีแต่ถ้ามวยใหญ่เคยเขาเห็นเขาไหว้ครูไหมครับระดับแชมป์โลกเนี่ยไม่ไหว้ครับไม่ไหวไ้เลยนะขึ้นไปกับระคังกชกกันเลย เพราะฉะนั้นร้องเพลงชาติรู้ว่ารีมาชาติอะไรงั้นเออประเทศไทยก็จะชค ก, กันได้ใช่ไหะโอ้โหมอบทุนร้องเพลงชาติเอากันอยู่นั่นแหละเป็นชั่วโมงก็จะได้ดูมวยชิงแชมป์ในประเทศไทยแต่ถ้าเอาไปอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ต้องอะ่ะขึ้นนั้นประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยพิธีกรรมน้อยที่สุดเพราะไม่ยืนเยอะไม่เสียเวลาแต่ว่าประเทศที่ด้อยพัฒนามีพิธีกรรมมากที่สุดเพราะความกลัวครับ ถ้าไม่ทํอย่างนั้นแต่กลัวไปอย่างนี้ไม่ทําอยอะกับกลัวไปอย่างนั้นดังนั้นเพราะพิธีกรรมเยอะเพราะความไม่รู้เราจะเรียกว่าความเขาก็น่าเกลียดไปใช่ไหมเพราะความไม่รู้นะแล้วก็สําหรับผู้ที่มีภูมิธรรมสูงละ่ะพิธีกรรมเป็นอย่างไรตัวอย่างครับบ้านบุหมบ้านหลงพ่อบุญหลวงพ่อเทียนนี่นะในสมัยที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนธรรมะอยู่ที่บ้านเครือข่ายส่วนใหญ่ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนจนเข้าใจรูปนามเข้าใจสมมติเข้าใจประมัตด แล้วคนคนนั้นสัมผัสทํารู้วิธีตายรู้การตายว่าตายแล้วจะเป็นยังไงตายไปไหนเนี่ยเขารู้หมดแล้วเขาจะบอกลูกหลานไว้ว่าถ้าฉันตายนะไม่ต้องไปนิมนต์พระให้ลำบากเพราะพระบาเนี่ยลำบากอยู่แล้วเราก็เอาท่านมาทรมานเราก็อ่าหลายๆอย่างพา่อแมเอากูไปเผาเลยว่าไงนนนะ่ะก็ลูกหลานเขาก็ทําอย่างนั้นกับพอตายมาเขาก็บอกจะไปพระนิโมไปนิมนต์พระประเทศหน่อยไหมพริพลไม่ต้อง เอาเขียนพิธีกรรมไว้เลยกว่าลูกหลานจะไม่ทําตามแต่ก่อนเขาจะตายเนี่ยเพราะคนที่ปฏิบัติทำจะรู้วิธีตายไม่ใช่วา่าจะไปตายในโรงพยาบาลสายระโยงระยางให้น้ําเกลือให้น้ําให้ไหมเขาจะบอกลูกหลานว่าเวลากูไปไม่รอดนะนะเอากูไว้ที่บ้านและจะบอกให้เลยว่าเอาไปกลางมุง้งเอากูไปนอนที่นั่นแล้วไม่ต้องไปยุ่งปล่อยให้ชั้นนอนอย่างชั้นจนเกิดชั้น ตายแล้วก็เข้าไปจัดงานศพเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปจัดงานสวดเอาไปเผาเขียนเป็นพิธีกรรมไม่กลัวลูกหลานจะไม่ทำครับเป็นอย่างนั้นน่ยหลายคนในบ้านบูหมอันนี้มาไปสัมภาษณ์เองเลยนะไม่ใช่ว่าจะไปกูเรื่องขึ้นมาไปถามได้ที่บ้านบูห่มอำเภอเชียงคานเป็นบ้านของพ่อเชียนเองเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราเข้าถึงธรรมเนี่ยพิธีกรรมไม่จําเป็นเลยแต่ว่ามันจําเป็นเพราะคนสุดท้ายภายหลังที่ไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อเขา นะเพื่อให้เขาเป็นหนอ่อเป็นแนวเป็นประเพณีเป็นตันติที่ติดตามไปนะดังนั้นวิธีทางออกสําหรับคนที่มีประสบการณ์ยังไม่พอมีความเข้าใจเรื่องศาสนาไม่พอยังมีความกลัวเข็ดกลัวขวางอะไรอยู่นี่ ก, ก, ก็ทําพิธีกรรมบ้างแต่อย่าให้มากแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะเหลือเกินเนอะเยอะจนกระทั่งว่าเสียเวลาเศรษฐกิจ ก, การเมืองสังคมเสียไปหมดประเทศเราก็ด้อยพัฒนามีปัญหาเศรษฐกิจกจนเรากู้คืนจะไม่ได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราจัดงานศพเป็นรบายมุครับ คนตายคนหนึ่งเนี่ยคนติดบอายมุขเรื่องเยอะเลยนะคนไม่เคยเล่นไพ่ก็เล่นไพ่เป็นคนไม่เคยเล่นไฮโลก็ไฮโลเป็นคนไม่เคยกินเหล้าก็กินเหล้าเป็นนะครับแล้วคนไม่เคยไปกินไอ้ของดิีของดายในงานก็ต้องกินเป็นแล้วเสียสุขภาพด้วยเสียเงยินเสียทองเสียอ ะ, อะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นการจัดงานศพตามพิธีกรรมอย่างทุกวันก็คือวงการสร้างอบอา ย, ยมุขนั่นเองแต่สหรั์อเมริกาเป็นยังไงอเมริกานั้นพอญาติตายลงปั๊บเนี่ย ศพสนให ญ, ญอ่อยู่ที่โรงพยาบาลครับแล้วโรงพยาบาลเขาจะเก็บเอาไว้จนวันไหนจะเผาเนี่ยก็ไปทําพิธีกรรมวันนั้นไม่ต้องเอกมาบ้านเขาไม่อนุญาตเอาศพเข้ามาบ้านที่มีกานะเอาศพไว้ที่ที่เมนเลยแล้วไปทำเพราะที่เมนเขาเนี่ยมันเป็นสํานัก ง, งานแบบกระทรวงกระทรวงหนึ่งเรียกกระทรวงจัดงานศพครับ แล้วก็แต่ละศพนี่ก็มีรายได้เพราะนั้นรายได้เข้ารัดหมดนะไม่ไม่มีการจัดเพื่อจะเอารายได้เข้าเจ้าของศพทุกอย่างในประเทศเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นพิธีกรรมเพื่อให้เป็นด้านเศรษฐกิจเท่านั้นพอไปวันเผาปั๊บนัดญาติพี่น้องแต่ที่เราสวดที่วัดที่บ้านสวดพระก็ตามไปสวดเหมือนเดิมนะแต่เอารูปมาสวดรูปก็ไม่ได้สวดศพนะพอถึงเวลาไปเผาก็ไปกันที่ป่าช้าแล้าก็ไปกดปุ่มเผาเท่านั้นเองนะแค่นั้นเอง เพราะนั้นเขาไม่ยอมเสียเวลาเขาบอกว่าเอา้าคนตายแล้วจะเอาอะไรได้แต่เขาในช่วงที่ไม่ตายในช่วงการเจ็บป่วยนะเขาจะรักษาให้ดีที่สุดครับที่ช่วยให้ดีที่สุดหลังจากตายแล้วก็ก็จัดการไปอย่าให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วก็งานศพกลายเป็นบ่อนกลายเป็นอบายมุขแบบประเทศไทยมันไม่คุ้มกันดังนั้นในจุดนี้เนี่ยนอกจากจะหาวิธีแก้แล้วทาง การปฏิบัติต่องานศพสำหรับนักปฏิบัติในวันนี้อาจารย์สมปองเนี่ยที่มาเป็นนักปฏิบัติือจึงเป็นพูดเรื่องนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างว่าพอจะทำกันได้ไหมว่าเวลาเวลาตายเนี่ยเราจัดกันง่ายๆแบบนี้ เพื่อให้คนที่มางานศพเนี่ยได้เกิดสติได้เกิดปัญญาบางคนเชื่อเขาก็นำไปปฏิบัติไปประยุกต์บางคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฟังเอาไว้บ่อยๆเดี๋ยวเกิดปัญญาเชื่อเองแต่ถ้าหากว่าไม่เกิดปัญญาก็ฟังหลายๆครั้งเดี๋ยวเกิดปัญญาเองนะนั้นน่าจะเห็นว่าเราก็ต้องยอมรับว่าสติปัญญาของคนไม่เท่ากัน แต่เราก็พัฒนาไปบ่อยๆอย่างที่ว่วัดชมพานที่ยกตัวอย่างมาหลวงพ่อปัญญาณัน ท, ท่านเทศให้ฟังบ่อยเขา้าบ่อยเขา้าในที่สุดญาติโยมก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรเลยถ้าบังสกุลไม่ต้องสิ้นเปลืองใครมา ชักพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่ต้องชิ่นเปลืองนะฮะแล้วก็ปัจจัยต่างๆท่านก็เอาไปสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปสงเคราะห์ไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างวัดวาอารามแทนที่จะไปสูญเสียอาการพนันแทนที่จะเอาไปซื้อเข้าของเทน้ําเทท่าไปแต่ละวันอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะเพื่อในจุดนี้พระอาจารย์อภัยจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมแล้วว่าการจัดงานศพทางบ้านนอกและในเมืองเนี่ยไอ้ความสูญเสียเนี่ยต่างกันอย่งไรครับ ก็สนมากคนทั้งหลายก็มองดูนาฎิกามากกว่ามองดูหน้าพระนะนึน <c> ะ <oughs> เอ า, เอาควรจะดีทีหนึ่งนะครับผลเสียของระหว่างตามจุดบนบทของเรากับในเมืองตามที่เคยไปอยู่มาก็พอสมควรนะครับงั้นในเมืองเขาจะาลงการสูญเสียกับการงานศพอีน้อยสุดเขาจะทำแบบง่ายที่สุดเวลาคนตายเนี่ยเขามุนพระเอาสมมาไ้ที่วัดนะเขาก็ วันละเท่าไหร่เขาว่าไปแล้วค่าเขาต้มค่าอะไรแล้วก็ถาวายทางวัดเพราะว่าวันม่มีที่เผาแล้วเขต้องเผาเมนเผาอะไรต่างๆคืนละเท่าไหร่นะ <S <S แล้วก็พระก็ไม่สามารถจะตีราคาได้ว่าคืนแล้วเท่าไหร่อะไรต่างๆแล้วแต่ศรัทธาไม่มีก็ไม่ให้เพราะเไม่ว่ากันใ น, ในเมืองนะ <S 1> <S 1> แล้วก็สําหรับสมมาเกีบรตไปเพราะการเลี้ยงแขกเพราะว่าวันตอนเผานี่นรู้สึว่าจะลงทุนในการแขกมาเยอะก็ต้องอาหารต้อง มาตอนรับนะครับแต่ว่าพอเผาเสร็จไม่มีเลยนะตับาตก็มีแี่แกข้าตระกูลใหญ่หน่อยก็สิบยี่ิบาสิคนอย่างนั้นแค่บ้านนั้นนะก็ตักบาตรตอนเช้าก็เก็บเก็บแล้วไปไหนทีนี้ยเขาเขาไปลอยอังคานเลยไม่ค่อยเก็บกระดูเก็บอะไรไว้ที่เก็บไว้ก็เก็บไว้เข้าบรรจุขวบวัดเนี่ยเขาประทัดไม่มีถึงเวลาทําบุญแจกข้าว เ, เ, เขาเขาไม่ทําก็มาอุทิศส่วนกุศลสังฆทานบ้างหา้าสิบวันบ้างร้อยวันบ้างแค่นั้น แล้วก็อันนี้ไปเลยส่วนมากประเทศไอคนพอ่ออสานเราก็ต้องเก็บถ้าไม่เก็บดูกไแล้วถ้าไม่ไทําบุญแก่ข้าวเนี่มันไม่สบายใจมัมนโรงพยาบาลต้องเก็บปีสองปีสามปีมปเก็บตงังค์แล้วแต่ค่อยทำเราะฉะนั้นมันเราสูญเสียกับสิ่งเหล่านี้ก็ก็เห็นมองผมมองเห็นภาพพอเท่านี้เพราะว่าเราอยู่ในเป็นผู้ทําพิธีกรรมเยอะพระนี่เป็นผู้ที่ต้องอยู่ในพิธีกรรมเยอะมากกว่าโยมเห็นมาหลายสพหลายพิธีการเพราะฉะนั้นในเมืองเขานี่จะ พายานที่จะทําแบบกระทัรัดที่สุดนะแม้แต่ซองถวายพร ะ, ะอย่างเงี้ยโยมเข้ามาเอามาร่วมเจ้าภาพจะเป็นผู้เก็บไว้นะไม่ได้เอามายืน่นนะแล้วก็เจ้าภาพก็จะมีซองต่งางนะไปเจ้าภาพกี่คนกี่คนต่งางเขาจะว่าไปนะแต่ว่าไปบางบ้านเนี่ยอาจจมาไปเอาสมมุติื่ายๆไปเพชบุรีเนี่ยเอาไปตะบนวังบุญสวดคืนหนึ่งเนี่ยอาจจมาเอาซองมาขนาดเนี้ยนะสวดเก็บ ขนาดเนี้ยสูงนะซองไม่รู้ว่าซองไม่กี่บาทไม่รู้นะวันนั้นเป็นสวนเป็นอย่างนี้อาตมาถามเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไหมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ตายมาเงี้ยพี่น้องมีเท่าไหร่จะเป็นเจ้าภาพทุกคนสี่สิบห้าสิบคนเป็นเจ้าภาพทุกคนฉะนั้นซองที่พระสวดครั้งหนึ่งเนี้ยรับขนาดนี้นะอาตมาเลยเทศวันนั้นบอกโอ้ถ้าสวดก็หา้าศพบันซื้อนาได้เลยเนี่ยบอก <c oughs> อาตมาก็คืนกับเจ้าภาพให้หมดว่าเป็นคนรู้จักกัน นะไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่ในจุดนั้นนะจุดนั้นวัดนี้เนี่พระจะชอบอยู่มากนะยไม่ขาดหาขาดเจ็ดสักทีหนึ่ ง, งอยู่ก็ไม่ปีสองปีก็สึกไปนะ น, นี่ก็ไม่รู้เหตุปัจจัยเช่นเดียวกันจุดนั้นความสิ้นเปลืองตัวเนี้ยก็หลังที่กล่าวมาครับผมเวลาเขา้อยคงจะให้เราก็ได้สรุปเลยครับผมผมว่าจะเทศกันทั้งคืนนี่นะเอาทะลุแจ้งเร็วกั้นนะเร็วเทศโตลุงกันหนึ่งกนะตัวคงไม่ไหวเนาะ ก็ขอเสริมอีกนิดหนึ่งว่าที่ปาลุเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้การศึกษาแล้วก็การศึกษาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้คนเนี่ยเรามันไม่ใช่เหมือนอย่างอื่นบังคับกับเกณฑ์กันไม่ได้แต่ต้องให้ความรู้ให้ความัดให้การศึกษาเท่านั้นนะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> ตอนนั้นเองการจัดงานศพต่างๆนี่ก็ขอให้มันสั้นกระชับรัดไม่สิ้นเปลืองอแล้วก็ทาพอดีพงาม ทังนี้เพื่อจะให้เราได้วิวัฒนาการทันเหตุทันการทันงานทันคนทันคนทันเกมของอสับยุคสมัยนะฮะเราจะเอาแต่พิธีกรรมเนี่ยพิธีกรรมพธิรรมพธีกินนั่นแหละนะเลี้ยงกันอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ติดเหล้าติดยากันดังนั้นเองวิธีที่เราจะแก้ก็คือให้การศึกษาให้สติปัญญา แล้วให้ความเข้าใจมากๆแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขามีสติปัญญาให้การศึกษาเพียงพอแต่ถ้าหาวกว่า คนเราถ้าไม่มีการศึกษาไมา่ให้สติปัญญาแก่กันก็ไม่เห็นทางที่จะเปลี่ยนเพราะความกลัวเพราะคนรู้จะไม่กลัวที่คนกลัวเพราะไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ได้กล่าวบอกว่าพิธีกรรมเกิดขึ้นเพราะความกลัวเพราะมันไม่รู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งวิธีแก้คือให้ความรู้เยอะๆแล้วก็จะหายกลัวเมื่อหายกลัวพิธีกรรมก็จะคอยสั้นดงก็ น, น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นในวิธีกา ร, รจัดการศพของจารย์สมปองในปันนี้เราถึงจัดให้มีเอาจารย์สมปองมาเทศบ้างเอาเมชีมาพูดให้ฟังบ้างแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าท่านเทศนาให้ฟังถ้าหากฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คิดว่าหลายท่านจะได้มีการพัฒนาแล้วก็ ในพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้พิธีกรรมก็คือคร่าวๆอย่างที่แจ้งไว้ในนั้นก็คือทําอะไรไม่ซับซ้อนมากเกินไปแล้วก็แขกเหลือที่มาโดยเฉพาะมาครั้งคืนเนี่ยก็ทําเห็นตามำบาจใจเพราะรู้สถานภาพของวัดเราอยู่ว่าเราอยู่ในปา่าในเขาในหิวในถ้ำไม่มีน้ําไฟมาจากในเมืองแต่มีน้ํามีไฟแบบธรรมชาติอย่างที่เราเห็น นั้นเองก็ต้องทําใจกันนะที่ญาติของไม่ชี้คุมคลายที่มากันเยอะๆแล้วกลับไปบ้านไปด่าญาติที่ชูคลายมาันกู้มาแล้วมันเลย ว, ว่าเล่หลับไม่ดีนอนไม่ดีไม่มีที่อยู่ที่อะไรก็ต้องขออภัยกันหน่อยแทนท่าเจ้าภาพนะอาหารการกินอะไรต่างก็อย่างที่เห็นเนี่ยป่า แล้วก็ที่หลับที่นอนก็มีมุ้งมีเต็นท์มีอะไรให้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าเรามียุงเยอะแล้วก็พยายามเร่งอาคารอาจารย์สมปองให้เสร็จทันงานวันนี้แต่ก็อย่างที่เราเห็นน่ะแม้แต่วันสุดท้ายวันนี้แล้วก็ยังก็ยังยังไม่เสร็จนะแล้วก็เตรียมต้อนรับเตอมที่เหมือนกันแต่ก็ได้เพียงเท่านี้เพราะงบประมาณเราไม่มีซึ่งเมื่อวานเย็นเราก็ปรึกษากันเนี่ยปัจจัยที่จะเสื้อหานมาถวายไอ้พระเราก็เลี้ยงโยมวันนี้มันไม่มีแล้วนะ่าจะทําไงประมาก็บอกว่า ตามเหตุตปัจจัยแล้วแต่เทวดาจะช่วยกันปรากฏวันนี้ก็มีเหลือเฟือบุญเห ล, ลือกินอยู่เหมือนกันพ่อาจาันนะแต่พวกนี้จะเอาที่ไหนถวลายพระล่ะอ๋อปัจจัยถวายอยู่ในตู้ยังมีอยู่นะก็เลยว่าวันต่อวันนะเราไม่มีการเรียกมาไม่มีการเรียหลา ย, ไ ม, มารรย ไ, ไม่มีการตั้งกองอุปนิกันแล้วแต่ใครให้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยจะทำเราไม่มีการที่จะบอกบุญเรื่อหลายถ้าสมบางสมเนี่ย นะถ้าเป็นโสพระอย่างนี้ก็เรียกว่าเขาหาได้เงินเยอะเลยนะเพื่อที่จะเอาไปาผู้คนตายขายคนเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละดังนั้นเองปัจจัยเงื่อนไขของทุกวันมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเราเก็บส่ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้าญาติเป็นเก็บส่ไว้เพื่อเป็นต่อรองทางด้านการพา น, านันเราเก็บส่งไว้เพื่อที่จะรอญาติ หลายเหตุแลปะปัจจัยหลายเงินไขนะดังนั้นเรามีพี่กรรมที่ซับซ้อนเยอะแยะนะดังนั้นจึงในการที่มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ถ้าหากว่ามีอะไรที่กระทบกระเทืนใจหรือขัดจิตขัดใจก็ขออาภัยด้วยทั้งนี้เพื่อ ทีเจตนาเพื่อที่จะให้ความรู้และให้สีปัญญาในการที่จะนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานศพทัางที่กล่าวมาก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายในการที่จะนำไปศึกษาในการ ปฏิบัติและทําบ้างในส่วนที่ควรจะทําในส่วนไหนที่มันยืดเยื้อสเสียเวลาก็ลดลัดตัดขั้นตอนลงไปเพื่อที่จะได้ประหยัดและขจัดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจและเวลาออกไปก็ให้ท่านทั้งหลายจงได้นําเอาสิ่งนี้ไปพิิพจรารณาไม่จําเป็นต้องเชื่อแต่ใช้สติปัญญาไข้ควรเห็นเหตุเห็นผลเห็นความเป็นจริงแล้วก็สามารถนําไปพิสูจน์ใช้ได้ และความตั้งใจที่จะนำไปพิสูจน์นี้จงเป็นพระวัปัจจัยท่านทั้งหลายทุกจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขภพวะมีปัญญาสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคมให้หลุดลอดพาชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรือ ง, ลงและพุทธศาสนาคงทนอยู่ได้ตลอดไปด้วยกันทุกคนทุกท่านทธอ